รัตนสูตรยานีทภูตานิสมาคตานิภูมมานิวายานิวอันตลิเกสัเบวะพูตาสุมาณาภวันตุอโทปิสักกะจัสุนันตุภาสีตังตัสมาหิภูตานิสาเมทสัเบเมตังกโรธมานุสิยาปัจจายะ ดิวะจารัตโตจารันติเยเบลิงทัสมาหินเนรคาถาอาปมัตตายังกินชีวิตตังอิทวาหุรังวาสะเคสุวายังรตตานังปณีตังนโนสมังอธิตาธาคาเตนอิดามปิพุทธะรัตตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนสุวัติโต ขยังวิราคังอมตังปณีตังยดชะคาสักยมุนีสมาหิโตนาเตนะธรมเมนะสมาธิกินจอีดัมปิธรมเมระตะนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยัมบุตเถรโทปริวันนยิสุจริงสมาธิมานันตริกันยมาหู สมาธินาเตนัสโณวิชิตอิดัมปิธรรมเมระตานังปณีตังเอเตนัสสะเจนัสสวะติโหตูเยปุกลาอัตถสตังปัสสท้าจตาริเอตานิยุคา i ิโหติเตดาคิเนย a สุขตาสัสสาวกาเอเตสุดินานิมหาพลานี อิดามปิสังเคระตาังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุเยสุปยุตตามนสาทันเฮนานิกามิโนโคตัมสาสนัมหีเตปะติปะตาอมะตัวิไคหาลาธามุธาเนปุติงพุลชมานา อิดามปิสังเคระตนังปานตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยาธินดะิโลปัทวิงสิโตสิยาจตุพีวาเตพิอาัมภกรมปิโยตทถปมังสาปุริสังวดามิโยอริยสัจจานิเวชปัสติ อิดัมปิสังเคระตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวยันติคำเพรปัญเยนะสุเดสิตานิกินจาปิเตหุติภูสสะปมัตตาณเตภูวังอัตมมาติยันติ เอดัมปิสังเคระตานังปณิตังเอเตนะสะเจนะสุวัติโหตุสหวัสดาสนะสัมปดาญาตาญาสุธ t รมาชหิตาปวันตีสกายดิทิวิจิกิตจิตั s จาศิลปตังวาปิ a าทถิกินเช จตูหปาเยหิจวิปปมุตโตชาจพิธานิอพะโภกาตุงอิดามปิสังเครตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหุตุกินจพิโสกรรมังกโรติป a ปังกาเยนาวาจายุดาเจตัสวา อาภัพโพสตัสสัพติจดายาอาภัพตานิตตาบดัสสุตตาอิดัมปิสังเคระตัณงปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุวนาปคุมเพยาธาภูสิตาเคคิมหานามเสปตธรรมสิงคิมเเอ แตทูปมะมังธรรมมวรางอดีสเนิพานะขามิงปะระมังฮิตายะอิด p มปิพุทธะรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโ u ตุวโรวรันยูวัรโทวราหะโรอนุตโรธรรมมวรางอดีสเยอิดามปิพุทธ a ร a ตนังปณิตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขีนางปุรานังนวังนาทิสัมภวังวิรัตจิตายติเกปวัสมิงเตขีนาพิชาอวิรุณหิันตานิบันติทิรายทายมปฎีโปอิําปิสังเคระตนังปณีตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุญาณิทัพุตานิสมะขตานิภูมานิวายานิวะอันตลิกเฆตถาคตังเดวมโนสปูชิตังบุธังนามัสสะมะสุวัติโหตุ ยานีทัพุตานีสัมมาคตานีปุ่มานีวายานีวันตลิ k เกตต d าคตังเดวม p u สปูชิตังธัมมังนามาสะม u สุวัติโหตุยานีทัพุตานีสัมมาคตานีปุ่มานีวายานีวันตลิเก ตาท่ากตังเดวามนุสปูชิตังสังขังนามาตสัมสุวัติหโต